พระธรรมเทศนาแผนที่90าลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สองพฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่ามนุษย์มีหลายระดับวันนี้เป็นวันที่สอง พจิกายนพุทธศักราช2558วันนี้พระในวัดของเรามาเพื่อเตรียมช่วยงานกระถินพระ5พระ51 57 อ, องค์พระ57รูปลงมาฉัน50งดฉัน7 ตามรายงานของพระนะแล้วงานกระถิ่นของเราก็วันที่แปดที่จะถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะทั้งอยู่ในครัวก็ช่วยกันดูจุดไหนที่ขาดตกบกพร่องจุดไหนที่พวกเราจะทาจะต้องช่วยกันจัดทำก็ช่วยกันดู หลายหูหลายตาหลายแนวความคิดดีทั้งนั้นแหละ่ถ้าหากว่าทำเพื่อสร้างสารรสร้างสรรพัฒนาถ้าหัวใจหลายคนหลายคิดหลายสติปัญญามีไปแต่มีแต่ความอิจฉาพยาบาทต่อกันนะจิบหายพูดได้คำเดียว ถ้าหากว่าช่วยกันคิดเพื่อสร้างสรรค์มีแต่ความเจริญมีแต่ความร่มเย็นผาสุขพอช่วยกันคิดปลอดภัยอีกต่างหากการอยู่ด้วยกันมากหลายหูหลายตาหลายแนวความคิดอย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบวัดของเรามีนกหลายชนิด ที่เป็นพิษเป็นภัยกับหมูก็มีพวกเหยี่ยวพวกนกเา้าเหยี่ยวก็มีหลายชนิดอีกต่างหากที่มันจะทำร้ายทำลายหมูหมูพวกนกทั้งหลายไม่ใช่แต่นกหรอพวกกรรอกกระแตพวกสัตว์แย่จิ้งจกตุกแกอะไรเนี่ยพวกนี้เอาไปเอาไปกินหมดถ้ามันเผลอเพราะนั้นพวกนกนกเล็กนกน้อยทั้งหลายเขาก็ จับกลุ่มกันเหมือนกันะจับเป็นกลุ่มกันไปหากินเป็นหมู่ทั้งกระรอกกระแตทั้งนกกระรางทั้งนกสีดำนกแซวหางแสกนกเกียงนกแซวหางแสกไปเป็นหมู่เป็นฝูงกัน เวลามันเห็นพวกเหี่ยวบินเข้ามาน่มันจะเตือนกันร้องบอกกันเนี่ลายหูลายตาลายแนวความคิดลายหูลายตาเนี่ใครเห็นก่อนตัวนั่น ก, ก็ตะโกนขึ้นมานะเนีมันจะร้องเสียงแบบผิดปกตินะถ้าร้องปกติมันจะร้องอีกแบบหนึง่ง <c oughs> มันร้องเพลงของมันสนุกสนานไลย เออเออเ อ, อเงเ อ, อ, เ อ, อ่างตัวต่างร้งองเพลงไงภาษาของใครของเราแต่แต่แตพอมันเห็นเดี่ยวเข้ามามันร้องจี้แจ๊กแปว่าระวังไงพวกนกอะไรอ่ยอยู่ในความสงบก็รอกก็อยู่ในความสงบกระแตก็รอกอยู่ไ อ, อ, อ้กระตอกระจ่อนกระแตอยู่ข้างล่างนี่ยอยู่ในความสงบอืม จนกว่าเกี่ยวตัวนั้นบินหนีไปแล้วมันยังร้องหากินตามปกติเห็นตกเดี่ยวมันไปแล้ว น, ะนี่แหละคือการเป็นอยู่ถ้าหาว่าใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์ในการเป็นอยู่เป็นอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นฝูงจึงจะเป็นต่างชาติต่างภาษาที่มาอยู่ด้วยกันแต่พึ่งพาอาศัยกันเป็นหูเป็นตา พัฒนามาช่วยกันมันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าหากว่ามาแล้วเอารัดเอาเปรียบกันชิงดีชิงดี ช, งดชิงเดนกันต่อยตีกันเตะกั น, ก, นกัดกันในหมู่ในคณะมีแต่ความจีบหายปูดใดอย่างนั้นอย่างพกกลิงของมันกันถ้ามันอยู่ด้วยกันมันก็คุม้ม เป็นหมูเป็นเพื่อนกันดีแต่เมือพอมันกัดกันอนั้นโอโหเอาเป็นเอาตายจริงๆเพรพอมันยิ่งแย่งชิงกันเป็นใหญ่เนี่แหละสัพพสัทั้งหลายที่มองมองเห็นเพราะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์รู้จักดีรู้จักชั่วได้รับการอบรมได้รับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราได้ ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนมีปัญญาให้ใช้ปณิติให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความอดทนมีมากมายในธรรมคำสอนของพุทธเรียกว่าบา ร, รมสีสิบทัตเพราะนั้นพวกเรานับว่าโชคดีได้เกิดมาได้พบได้เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์สัพติราโภ พ, พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นลาบอันประเสริฐเป็นลาบคล้ายๆว่าเป็นเบ็นบุญเป็นกุศลเป็นผู้โชคดีอันประเสริฐที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พวกเราอย่าอย่านำความโชคดีของมนุษย์เนี่ยไปในทางที่ชั่วเท่านี้พอเกิดมาเป็นมนุษย์มนุย์งอยู่เกิดมาได้เป็นมนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญาแต่ใช้สติปัญญาของตัวเองไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เออเอารัดเอาเปรียบสิ่งที่มันชั่วชาดเสียหายทําหมดเพราะในส่วนตัวเองก็เลยติดคคกติดตารางเอาไปขังไว้เราเป็นมนุษย์แท้ๆไปขังไว้เหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนสัตว์นรกมันไม่น่าจะถูกต้องเราต้องใช้สติใช้ปัญญาของเร า, เาพัฒนาสิ่งไหนที่ถูกรู้ไม่ถูกผิดรู้ไหมผิดเราเลยรับการศึกษามาขนาดนี้แล้ว เราควรจะรู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนควรทําอันไหนควรคิดอันไหนควรพูดเพราะนั้นให้เราได้ให้เราศึกษาเพราะเราเป็นผู้โชคดีได้เกิดมาได้พพ ร, ระพุทธศาสนานมนุษย์สัพิราโภเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐอย่างพวกเราเปรียบเทียบรู้ชีวิตของเรากับชีวิตสัตว์เทิดทานอย่างพวกทุกวันนี้เขา ถ่ายอะไรให้ม า, าพวกสิงโตไปกัดช้างกัดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไปสู้วัวปา่าควายป่าอย่างนี้แก้งกวางวะนะถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์ทีรชานอย่างนั้นเราจะหาเราพวกเราจะหาความสุขได้ไหมแหวดแล้วแวงตลอดเวลานะเานี่ยนี่แหละถ้าว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เราจะมาเบียดเบียนกันในการเป็นมนุษย์อีกอย่างบางประเทศนะแตกนี้จากประเทศตัวเองทั้งที่ตัวเองเกิดมาในพื้นแผน่นดินนั้นนะอยู่ไม่ได้เพราะมันมีคนกลุ่มที่เบียดเบียนจนหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินไม่ได้หนีแต่กระเจิงไปอีกอันนั้นกับเร า, าปฏิประเทสว่าโซจะะ เกิดไปเกิดก็จริงอยู่เกิดเป็นมนุษย์ก็จริงอยู่แต่เกิดผิดที่ผิดทางผิดสถานที่ผิดที่ไปเกิดในตรงที่มันจะเดือดร้อนวุ่นวายอันนั้นก็ว่าไม่ใช่เป็นผู้มีบุญไปเกิดปุเพจักกตาปุญชะตาคล้ายๆไมื่มีไม่มีบุญเอไปเกิดในสถานที่ไปคิดตายคิดเกิดพอเกิดขึ้นมาก็เดือดร้อน แต่พวกเรานับว่าเป็นผู้โชคดีอีกส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันในช่วงนี้ เ, เกิดในประเทศไทยแผ่นดินก็ไม่ไหวน้ำก็ไม่ท่วมหนาวก็ไม่หนาวมากไม่ถึงการธรรมชาติฆ่าพวกเราเพราะพวกเราเกิดในปฏิรูปประเทศเมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นใหญ่เป็นหลักเป็นผู้ปกครองให้กับพวกเรา เ, เป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเรา ท่านเป็นไม้ยังไงตระกูลของพระเจ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้เราต้องคิดอีกเหมือนกันท่านทําคุณให้กับประเทศชาติขนาดไหนเห็นไหมพระดำริของท่านเขื่อนภูมิพลเขื่อนริกิจใครไม่ได้ใช้น้ําเขื่อนภูมิพลเขื่อนชลกิชมีไว้ในกรุงเทพเมื่อใดใช้เขื่อนกันท่านเขื่อนของท่านท่านเป็นผู้ ให้แนวความคิดกับทางรัฐบาลอนุมัติอนุญาตถ้าไม่อย่างนั้นชาวบ้านเขากคงจะลุกฮือขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมทุกวันอันนี้ท่านเป็นผู้ปกป้องเป็นผู้เห็นว่าเป็นประโยชน์พอสร้างเสร็จขึ้นมาก็ตั้งชื่อว่าเขื่อนผู้มิผลเขื่อนศิลิกิตพวกเราได้อาบน้ำกินน้ำของท่า น, ท, านทุกฟีทุกวัน ผลที่สุดจะยังจะมาดูถูกเหยียดหยามท่านอีกหลวงพ่อเนะี่ยบาปกรรมอกุศลทั้งหลายใครไม่รู้จักบุญคุณของภู้มีพระคุณแล้วไปไม่รอดทุกชะกลายล่ะกิบหายด้วยกันทั้งปวงเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงก็หายพวกเราทุกๆู ท, กท่านให้รู้จกักพระคุณ่ยพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นผู้โชคดีเกิดเกิดในปฏิทูปประเทศ คงจะมีบุญเก่าบุญเก่าของเราที่นำมาเกิดพวกเราจึงที่เกิดในพื้นแผ่นดินแห่งนี้เมื่อเกิ ด, ดขึ้นมาแล้วควรจะตั้งตนให้ชอบอัตตะสัมมาปณิทิให้ตั้งตนไว้ชอบอย่าไปเป็นเกเลอย่าไปทำความชั่วเสียหายอันไหนดีอันนี้ถูกอันนี้ควรคิดดีพูดดีทาดีรู้ไหม นี่แหละในเมื่อพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะยังได้พบพระพุท ธ, ทธศาสนาอีกนับว่าเป็นผู้โชคดีหลายชัดนะถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วถ้าว่าพวกเราเมื่อมาอยู่จุดนี้แล้วยังตนทําตนไว้ไม่ดีอีกฮเ อ, อถ้าไม่ว่าอคนไม่มีวาสนาแล้วคนโง่เง่ า, งาเต่าตุ่นแล้วจะว่า ย, ยังไงถึง แต่ใครๆคำว่าอยากจะได้ยินคาว่าโง่เง่าเตาตุนอยากจะได้ยินแต่ความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องเป็นผู้มีบุญวัฒนาเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่อยากจะได้ยินอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำและการเป็นอยู่นะมันบอกยี่ห้อของตัวเองเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะมนุษยษ์ปฏิลาภเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐ เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์ดีทีเดียวก็มัไม่ใช่นะมนุษย์ะมนุษยาสติรัชาโนเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่าจิตใจเลวเหมือนสัตว์ทิฏฐิฉานแย่งอยู่แย่งกินไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําเหมือนสัตว์ติฏฐิฉันการเป็นอยู่เนี่ยว่ามนุษย์สติรัชติรัชโน่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์ทิฏฐิฉันนี่ก็มีมนุษย์สแปโต จิตใจเหมือนกระเปรตหิวโหวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอเพียงเพียงพออันนี้ว่ามนุษยเปโตรมนุษสเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจสูงเหมือนกับเทวดารู้จักแบ่งปันรู้จักอบอ้อมอารีรู้จักเสียสละรู้จักเขารู้จักเราควรจะแบ่งปันควรจะให้ความสงบผาสุขแกม่มวล มนุษยชาติไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นอันนี้นมนุษยสัเทโวมนุษย์สามนุษยโ์โศร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจก็เป็นมนุษย์มนุษย์คืออะไรเป็นมนุษยมนุษย์แปลว่าผู้สูงส่งเป็นผู้มีความเมตตาเขาเราเขาเราให้มีศีลห้านี่แหละเขาเรา เราไปฆ่าเขาเขาก็เดือดร้อนเขามาฆ่าเราเราก็เดือดร้อนอยากอยาคิดเบียดเบียนกันอยากขโมยกันเขาใครใครก็รักของใครของเราถ้าเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาไปเรียกค่าไทยล่ะไปเรียกอไปเรียกลักขโมยวัวควายรถของเขาไปไปเรียกค่าไทยล่ะหรือว่าเอาไปเลยขโมยของเขาถ้ามาเขามากับมาทําให้กับเราเ่ะ เราจะยินดีใช่ไหหัวเราะใช่ไหมเ อ, อดีแล้วให้เขาเอาขอโมยไปเถอะอย่างั้นใช่ไหมถ้าเราทุกข์ใจเขาก็ทุกข์ใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าขโมยกันออกาเมสุมิสาจาราวรมณีก็เหมือนกันสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักของเราก็เช่นเดียวกันเราก็รักในเมื่อเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจพ่อแม่พี่น้องของเขา ตระกูลของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาร่วงล้ำเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันให้เคารพสิทธิ์กันเอและกมุสายอย่าโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเขามาทําให้กับเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเอเขาก็สิทธิ์เขาเราก็สิทธิ์เราให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันะ ข้อที่ห้าสุราเมย่ยาไปดื่มสุราและเมลยัยกัญชายาฝิ่นเฮโลอินทําสืบดื่มเสพเข้าไปแล้วขาดสติในเมื่อคนขาดสติเหมือนคนเป็นบ้าทําความชั่วได้กทกอย่างเพราะเพราะขาดสติคนขาดสติก็เหมือนกับคนบ้าแต่คนเป็นบ้าแล้วเรากลัวไหมไม่รู้จะออกมาไม้ไหนทึ่นินสัยก็โหดร้ายอยู่แล้ว เออเหมือนเราก็ยิ่งน่ากลัวอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคนดื่มสุราถ้าเขาเป็นนักเรงหัวม้าอยู่แล้วเออเราจะไปไข่เขาได้ยังไงอันตรายอีกต่างหากขนาดเขาไม่ดื่มสุราไม่ขาดจิติเราก็ยังน่ากลัวแต่เมื่อเขาดื่มขาดจิติเข้าไปแล้วมันน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรนี่แหละอันนี้ก็คือศีลธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้เราบอกถ้าว่าคนมีศีล มีศีลมีธรรมมีศีลห้าเนี่ยเรียกว่ามนุษย์สามนุษย์สูร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นมนุษย์ เ, เพราะไม่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นโทษในการเบียดเบียนกันเี่นหละมนุษสามนุษย์สูงมนุษย์ อ, อ, ษยอริโยเป็นมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์ก็จริงอยู่แต่จิตใจเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาพระสกทาคาพรนาคาระหันจนถึง ออมนุษะพุทธโธนะร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์แต่จิตใจพระไทยของพระองค์เป็นพุทธะนี่แหละอันนี้ก็คือมนุษย์ของเราก็มีหลายระดับเหมือนกันนะมันแบ่งขั้นตอนมันแบ่งชั้นวันณะตัวเองแบ่งชั้นวันณะตรงไหนตรงที่การกระทำดวงที่คิดดวงที่กระทำดวงที่ทั้งตรงที่พูด นั่นแหละมันแบ่งวันณะจุดนั้นแหละมันแบ่งแบ่งชาติชั้นวันลนะแบ่งความเป็นอยู่ตรงนั้นตรงที่ว่าคิดทำพูดนะมันไม่ใช่อยู่ตรงไหนนะพระนักขอ่อยพวกเราทุกๆกท่านนะคณะทศไทาญาติโยมลูกหลาน ท, ทุกคนนะจุบแล้วให้เป็นคนดีแหมอยู่ในสถานะไหนให้มีความพร้อมเพียงสามคัคคีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดขนาดสัตว์ป่านกหนูอย่างที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้ฟังเขาก็ยัง อยู่ด้วยความร่มเย็นผ้าสุขถ้าเป็นหูเป็นตามีความพร้อมเพียงรักษาซึ่งกันและกันเนีแล้วก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาบอันสงสง่งสูงสง่งเป็นลาบอันประเสริฐเนีได้เกิดมาในพื้นแผ่นไทยพื้นแผ่นดินไทยอีกต่างหากเออเป็นผู้โชคดีแต่จะนําความโชคดีของตนเองนะั่นนะตั้งตนไว้ไม่ชอบนะั่นแหละจิบหายนะ่าจนี้นะเออจิบหายความเจีบหายมันอยู่ไม่ไกลเลย ถ้าทำไม่ดีเมื่อไร่ก็เมื่อนั้นเขาจับไปขังคุกไว้เหมือนกับขังสัตสาลาสิงขังหมูขังหมาขังหม้ขังที่สัตว์ที่ดุร้าย เ, เราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยขนาดนี้แล้วไม่ควรจะให้เป็นอย่างนั้นนะพวกเราท่าทั้งหลายฟังธรรมะเทว่าธรรมคาสอนเถียงพุท ธ, ธะไม่ใช่คําสอนหลวงพ่อนาะที่หลวงพ่อแนะนําเอา หลวงพ่อเอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแนวจริยธรรมของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะเอาตอนนี้ไปรับพร